เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพัก ค, คีกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายสั่งสอนภิกษุณีทั้งหลายเพราะเห็นแก่อามิตรในอามิตรสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทรฐานแห่งอาบัตหกสมุทรฐานเกิดด้วยสมุทฐานสมสมุทฐาน